ในสังคมมันก็ เ, เรียกว่ามันจะมีเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของความสุขของคนนิดหนึ่งใช่ไ่ะแพทเทิร์นของความสุขก็คื อ, อาจากเด็กเล็ ก, ลกใช่ไหมเรียนให้มันดีโตมามีงานทำที่ดีมีรายได้ที่ดีใช่ไหมแล้วก็ แต่งานมีครอบครัวมันก็มีลูกมีลูกแล้วก็ลยงหลานเป็นต้นมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกับจะโดนปลูกฝังขึ้นมาว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นของการที่คนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เดินตามแนวนี้กันไปอันนี้ก็ดูวาดภาพแบบจืดจด นึงแต่พอชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่านี้อีกพอเราลงลึกไปในรายละเอียดใช่ป่ะมันก็จะเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆ เ, เล็กๆนั่นแหละมันก็เริ่มที่จะแบบหาคู่ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคนนั้นก็จีบคนนี้คนนี้ก็จีบคนนั้นว่ากันไป ถ้ายังไม่มีลอดปากเกี่ยวปากกามาได้ก็ช่วงเรียนอุดมศึกษาช่วงนี้ก็จะเข้มข้นมากใครไม่มีแฟนนี่รู้สึกแบชีวิตมันจะน่าหดหู่แต่ใครที่ยังไม่มีพอามาทำงานได้มันก็จะเป็นเาเรียกว่าสำหรับคนที่ยี่สิบปลายสามสิบปลายบางคนก็จะเริ่มรู้สึกว่า ไม่ได้แล้วมันโค้งสุดท้ายแล้วฉันต้องรีบแต่งงานมีครอบครัวคนที่ไม่มีอาจจะมีทั้งสองแบบคือหาไม่ได้หรือไม่คิดจะมีก็ได้คนที่ไม่คิดจะมีอาจจะโดนพ่อแม่กดดันอีกก็ได้เอา้าทำไมไม่แต่งงานสักทีจะได้มีลูกมีหลานมันก็เป็นค่านิยม ของคนบนโลกใบนี้แต่ก็อยากจะให้ลองคิดให้มันละเอียดวนะ่ามันเป็นค่านิยมนี้มันถูกต้องมากน้อยเท่าไหร่การที่เราไม่มีคู่การที่เราไม่ได้แต่งงานเรามีความสุขในชีวิตได้ไหมนัม่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ คำถามก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่แต่งงานไม่มีคู่มันมีความสุขไม่ได้จริงหรือซึ่งถ้าเราลองถามคำถามนี้แล้วเราก็จะเห็นนีว่ามันก็มีหลายหลายคนจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ได้มีคู่เขาก็อยู่อย่างมีความสุขได้ เพราะฉะนั้นความสุขที่เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของการที่มีคู่ความสุขจากคนรักได้แต่งงานเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่ามันจะเป็นสิ่งนาความสุขมาให้เราถ้าเรามองคนที่เขาแต่งงานมีคู่กันน่ก็มีไม่น้อยมีมากเลยแหละที่ไปกันไม่รอด เลิกล้างกันไปก็มีบางคนเลิกกันตอนที่ยังไม่มีลูกก็ดีหน่อยแต่าบางคนมีลูกแล้วก็ไปกันไม่รอดภาระมันก็ไปตกที่ลูกด้วยส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่อบอุ่นซึ่งถ้าเราคิดว่าความสุขจากการที่เราเจะมีคู่นะ มีคู่หมายถึงผู้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่ผู้ชายนี้เป็นต้นนะก็ขอให้เราลองมาคิดสมัยว่ามันมันใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่สนับสนุนเรื่องว่าจะต้องคบกันไม่คบกันหรือจะอยุแยงให้เลิกกันอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้พยายามจะชี้ให้มันเห็นสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่แล้วอยากจะมีคู่กใช่ได้คิดทบตวน หรือคนที่มีคู่แล้วแต่งงานไปแล้วเราก็จะได้มีวิธีปฏิบัติตอนให้มันดีคนมีคู่ไปแล้วมันก็กลับลำยากบอกฉันไม่อยากแล้วอยากอยู่คนเดียวมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันไปทางนี้แล้วก็ทำให้มันดีก็ต้องหัดที่จะคอยดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆก็พยายามให้ ศีลเสมอกันถ้าศีลเสมอกันมันก็พอที่จะอยู่กันสบายขึ้นนอกจากศีลที่เสมอกันแล้วความคิดความเห็นทิฏฐิที่มันเสมอกันด้วยนี่ยิ่งทำใหม้มันไปกันได้อย่างกลมกลืนซึ่งถ้าใครยังไม่แต่งงาน คบกันอยู่เฉยๆก็ต้องสารวจคู่เราให้ดีว่าเไยเขามีความคิดความเห็นเหมือนกับที่เราเป็นไหมความเห็นมันตรงกันไหมศีลเขาดีไหมซึ่งถ้ามันไม่ดีก็ตัดใจซะถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็ตัดใจซะ แต่มันก็จะมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นพวกแบบว่าจับปลาสองมือไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้อยากได้เยอะๆหมายถึงว่าฉันก็อยากมีคู่เลยแต่ฉันก็อยากพัฒน์ปรมาจารย์ไปด้วยอยู่คนเดียวด้วยดูมันก็ย้อนแยงนะ พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงตอนที่ไปถวายงานท่านที่โรงพยาบาลตอนที่สมเด็จพระยานสังวรท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมีเาเรียกว่าเป็นพระอุปถาไปผัดเปลี่ยนกันไปวาระกลางวันวาระกลางคืนก็ผัดผักกันไป ก็มีโอกาสได้คุยกับพวกพยาบาลกันนะคุยไปคุยไปก็เลยถามเขาว่าเอา้าตกลงแล้วเนี่ยทําไมถึงอยากแต่งงานละ่ะเพราะว่าเวลาเข้าไปคลุกคลีก็จะเห็นว่าพยาบาลไม่ค่อยได้แต่งงานส่วนมากอายุเยอะๆก็ยังไม่แต่งงานกันแต่ถามว่าอายุเยอะๆไม่แต่งงานนะ่อยากแต่งงานไหมอยากนะไม่ใช่ไม่อยากก็ยังอยากแต่งงานอยู่เขาบอกเอา้าทําไมละ่ะไม่มีคู่ก็ดีจะตาย ชีวิตก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่ได้หรอกไม่แต่งงานนี่มันแก่แล้วไม่มีคนดูแลอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เขาให้เหตุผลไว้เพราะทำไมก็ถึงอยากแต่งงานอยากมีคู่อยากมีครอบครัวเพราะกลัวว่ายามแก่แล้วจะไม่มีคนดูแลก็เลยถามว่าแล้วจริงๆเ่ะ แก่แล้วอย่างเงี้ยมีลูกมีหลานแล้วมันจะดูแลเราจริงหรือเปล่ามันก็ตอบไม่ได้นะว่าลูกหลานหรือแม้กระทั่งคู่เราที่แต่งงานด้วยแก่ตัวกันไปแล้วมันจะดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างสมัยนี้เห็นชัดเลยอย่างที่ต่างจังหวัดที่ว่าพ่อแม่แก่แล้วลูกก็เข้ามาทำงานในเมือง พอทำงานในเมืองไปไปมา ๆ, ๆ, ๆก็เหมือนกับไม่ยอมติดต่อที่บ้านไปก็มีปล่อยพ่อแม่ให้ทิ้งอยู่กับหลานที่บ้านออกรายการทีวีนะเห็นเลยเลอแยะเลยมันก็ไม่ได้รับประกันนะว่าการที่เรามีลูกมีหลานแล้วเขาจะมาคอยดูแลเราเมื่อยามแก่เท่า แต่สิ่งที่มันจะทำให้มีความแน่นอนมากขึ้นก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจความเอื้อเฟื้อที่เรามีให้กันและกันมันจะทำให้คนเป็นญาติก็เป็นญาติสนิทคนที่ไม่ใช่ญาติก็เป็นญาติเราการที่เราคอยมีน้ำใจดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปการที่มันมีน้ำใจแบบนี้มันก็จะปลูกพันกัน มีความรักมีความผูกพันกันมีปัญหามันก็คอยช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นคนไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติกันเพราะว่าความรักที่มันมีให้กันแต่ถ้าคนเป็นญาติกันความรักความเอื้อเฟื้อไม่มีให้กันมันก็ทิ้งกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะรับประกันในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรากลัวว่าเราจะพึ่งพาใครไม่ได้ ก็สร้างสร้างมิตรเอาไว้เยอะๆสร้างมิตรที่ดีเอาไว้เยอะๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะฝากทั้งชีวิตเรากับเพื่อนเพื่อนฝูงตลอดมันก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราก็ต้องยืนอยู่บนลงแข้งตัวเองให้มันได้ด้วยแต่ถ้ามันมีเรื่องมีราวบางครั้งบางคราวเราก็ได้อาศัยคนที่เป็นเป็นมิตร กัะยะนมิตรกันจะได้คอยพึ่งพาอาศัยกันบ้างในบางคราวที่มันลำบากอย่างบางคนก็บอกว่าว่าไม่ได้หรอกการไม่มีคู่มันเหงาฟังแล้วมันก็แปลกๆอ่ะทำไมเราอยู่กับเพื่อนถ้ามันเพื่อนที่มันเป็นเพศเดียวกันแล้วมันมัน มันอยู่แล้วมันจะเหงาเหรอแต่พอมีแฟนแล้วมันไม่เหงาเหรอมันจริงหรือเปล่ามันไม่จริงหรอกอันนี้คิดไปเองไงมันเป็นเหตุผลที่แบบตู๊ดูแต่ไถตามอารมณ์ของกิเลสไปมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันจริงจริงจังๆเลยเอขาบอกเอา้าผไม่สนเนี่ยอยากมีแฟนะ่ะทําไมะ อยากมีก็อยากมีไปมีก็หาให้มันดีขึ้นนั้นแหละหาให้มันดีหาให้มันมีคนที่มีสินเสมอกันทิฏฐิเสมอกันมันก็จะได้ไปกันรอดแต่ถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยก็ทำใจเผื่อไว้ก่อนว่าอย่างไงมันก็มีเรื่องมีราวแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นคนที่เรามุ่ง ม, มั่นนะ มุ่งมั่นว่าเราจะปฏิบัติให้มันดีเราจะไม่ได้ต้องพึ่งพาความสุขทางโลกแต่โดยถ่ายเดียวจะเรามีความสุขที่เราหาได้นี่ความสุขในแบบทรมความสุขจากความสงบที่เรากําลังฝึกหัดอยู่แบบนี้แหละมันก็เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งที่เราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งแฟน ไม่อยางเป็นต้องไปพึ่งเพื่อนเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ า, เ, าเราก็เข้าสังคมไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราก็จะรู้ว่าพอเหมาะพอสมใ น, นที่เราจะเข้าสังคมด้วยมันเป็นยังไงแต่สำคัญก็คือเข้าไปแล้วเราก็พยายามรักษาแกนหลักของเราให้มันดี อย่าให้ศีลของเรามันเสียไปคุณธรรมที่มีความตั้งใจดีที่มีมันย่อหย่อนไปมันก็เป็นศิละปะในการใช้ชีวิตนั่นแหละซึ่ง้ามีแล้วมันไม่ดีเลยก็อยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะอยู่คนเดียวหาความสุขได้ตามความพอใจได้มากกว่า แต่คนที่เคยมีคู่แล้วเนี่ยมีแฟนแล้วเป็นต้ น, นสิ่งที่เป็นโดยมากมันก็จะเขาเรียกว่าสูญเสียสมรรถภาพในการที่เราจะอยู่คนเดียวจากแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครเราก็มีความสุขของเราได้แต่พอมีอีกคนเข้ามายึดถืออยู่ในชีวิตเรา กับกลายเป็นว่าพอเขาจากไปเราอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ได้มันก็เขาเรียกว่ามาบ่นทำลายศักยภาพของเราลงไปซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับคู่ครองนะแม้แต่การทำสมาธิเรานี่แหละมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนที่อธิบายไว้แล้วทางที่เราทำความสงบได้ดี เออะอะไรเราก็เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้บ่อยๆเพราะเราทําอย่างนี้จนชินเนี่ยบางทีเราจะสูญเสียสมรรถภาพในการที่เราจะต่อสู้กับความทุกข์อดทนต่อความทุกข์แล้วก็ติดสบายติดความสุขจากสมาธิเออะอะไรเข้าสมาธินิ่งไว้ก่อนเงียบซึ่งถ้าการที่ เข้าสมาธิหลบอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีแต่คนที่เขาทำดีทำเป็นทำถูกเนี่ยเขาเข้าสมาธิแล้วเขาพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆอยู่เนืองๆพยายามสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆบ่อยๆพยายามบอกสอนตัวเองว่าออาอะไรที่เรามันมากระทบใจมันเป็นอะไร ทุกข้ออะไรความจริงมันเป็นยังไงความจริงที่สุดมันเป็นยังไงมันแตกสลายไปเรื่ยไหมเหล่านี้เป็นต้นเขาก็จะไม่ขี้เกียจในการทำงานหมั่นที่จะพิจารณาอยู่บ่อยๆจนมันค่อยๆเริ่มซึ้งลงไปในจิตใจใจเราก็ไม่ค้านกับความเป็นจริง กับเหตุผลความเป็นจริงนั้นๆใจเราคล้อยตามได้ดีไปกับเหตุผลที่พิจารณาดีแล้วตามความเป็นจริงแต่ถ้าเข้าสมาธิอย่างเดียวไม่พิจารณาอะอะไรก็เห็นแต่โทษข้างนอกมีแต่โทษมีแต่ไม่ดีเเข้าสมาธิดีกว่า เราก็จะเป็นคนที่ขี้งุ่นอิง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยซ้ำเพราะเราเห็นอะไรมันมากระทบใจเยอะขึ้นอะไรอะไรก็กระทบใจง่ายขึ้นเร็วขึ้นบ่อยขึ้นเพราะจากการที่เรามีความสงบที่เราตุนเอาไว้อย่างดีพอตุนเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยเราก็หลบดแดกสมาธิอย่างเดียว ปลอบสมาธิเราก็ป้องกันสมาธิพยายามจะทรงเอาไว้รักษ า, าไว้ดียึดมันเอาไว้ถือมันเอาไว้แล้วก็กอย่างที่ว่าอะไรมากระทบใจเราก็จะเริ่มมีความเห็นว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็ไม่ดีนะมันคอยมาชวนเราคุยทําให้เราเข้าสมาธิลําบากอีกคนนี้นะก็มาพูดแต่ลินทาคนอื่นให้เราฟังทําไมมันไม่ขัดปฏิบัติสมาธิบ้าง ไม่หัดปฏิบัติธรรมะมัง่งมันไม่รู้หรอว่าการที้พูดคุยนินทาคนอื่นมันเป็นเรื่องไม่ดีไอคนนั้นก็ไม่ดีนะเปลี่ยนเพียงแต่คนอื่นคอยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสุดท้ายปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปกลายเป็นคนเพิ่งโทษคนอื่นเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นแล้วก็ขี้งุ่นยิตเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาเลหมด อย่างนี้มันก็เขาเรียกว่าเป็นยังทำไม่ถูกอ่ะทำไม่พอดีมันก็เป็นพิษกับจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการแบบนี้นะ<ม>ก็ให้เราระวังไว้วได้เลยว่าเนี่ยทางเดินที่เรามีเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง การที่เราเห็นโทษเป็นเรื่องจำเป็นเห็นโทษเพื่อที่เราจะเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารแล้วเราก็จะได้เกิดความหน่ายคลายกำนัดลงได้ปล่อยวางได้แต่พอเราทำไม่เป็นเนี่ยจากการที่เราเห็นโทษมันจะเปลี่ยนไปเป็นความเพ่งโทษคนอื่นพอเป็นความเพ่งโทษแล้วเนี่ยสภาวะจิตใจมันก็จะคนละอย่างกัน ใจเราก็จะร้อนใจเราก็จะหนักขุนมัวเศร้าหมองง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้มันเสียยี่ห้อของการปฏิบัติธรรมด้วยทำไมอุตสาหไปเข้าคอสมาไปเข้าค อ, ส, าาคอสก็บ่อยเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆทำไมมันเป็นคนขี้งุหงิดนะจากสมัยก่อนอาจจะบ่นบ้างทำไมสมัยนี้มันบ่นมากกว่าเก่า อย่าให้มันเสียยี่ห้อกันปฏิบัติธรรมะนะเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติธรรมะไปเรื่อยใจเรามันต้องควรที่จะเบาสบายผ่อนคลายอ่อนนิ่มนิ่มนวลมากขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติไปเพื่อใจที่มันแข็งกระด้างหยาบคายไม่ใช่แต่การที่มันเห็นโทษตาของคนอื่น มันก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละหน่อยใจเรามันจะกระด้างไปเรื่อยๆนะจากการที่เราเพ่งโทษเขาทีละหน่อยสองหน่อยพอมันไปถึงจุดหนึ่งนี่ต้องบอกไว้เลยว่าเราไม่รู้ตัวบางทีมันไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเพ่งโทษคนอื่นแต่เรากำลังรู้แต่ว่าเฮ้ยเราพยายามรักษาสมาธิเราให้มันดีนะพยายามเข้าสมาธิน ะ, ะมันจะเป็นอย่างนั้น เราก็ทําดีเนี่ยดีเราทําดีอยู่แล้วเราพยายามทําดีอยู่ทําไมพวกเนี่ยทําไม่ดีทําไมไม่หัดที่จะทําดีบ้างเลื่นไปว่าไอการที่เราคิดอย่างเนี้ยมันเป็นไปเพื่อทําให้ใจเราสงบไหมเป็นไปเพื่อทําให้ใจของเรามันอ่อนนิ่มเบาสบายปลอดโปร่งพองใสไหมไม่ใช่นะ่ะเพราะฉะนั้น ใครไม่ดีมันก็เรื่องของเขาไปเราห้ามปากเขาไม่ได้เราห้ามการกระทำเขาไม่ได้กรรมใครทำกรรมอะไรมันก็ได้รับผลของกรรมมันนั้นใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเพระองค์ยังบอกเลยว่าแม้เราตถาคตเองก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางเฉยๆส่วนใครได้ยินได้ฟังแล้วสามารถทำตามได้ ก็สามารถที่จะไปสุดทางได้ตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเอาไว้แต่มันก็มีที่ฟังแล้วไปไม่ถึงก็มีใช่ไหมเดินออกนอกทางมันก็ไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระมัดระวังตรวจสอบอยู่เรื่อยๆบ่อยๆว่า ทางดำเนินวิธีทางที่เราจะสอนใจตัวเองเกี่ยวกับวิธีจิตของเราเนี่ยมันมันยังตรงทางไหมพอพูดถึงตรงทางแล้วก็พูดถึงไม้บรรทัดซะหน่อยเราจะเอาอะไรมาเป็นไม้บรรทัดคอยเปรียบเทียบว่าเรายังตรงทางอยู่ไหม พระเจ้าก็ตรัสไว้อยู่แล้วว่ามีทางแค่สายเดียวนะสายเอกสายเดียวที่เรียกว่าอริยมรตมีองแปดเพราะฉะนั้นเราก็เอาวิถีของเราคอยเทียบเคียงกับมรตมีองแปดบ่อยๆทางด้านความคิดเนี่ยท่านก็ตีกรอบเอาไว้ให้ว่าอย่าให้มันหลุดจากนี้นะคืออะไรคือให้หลีกออกจากการามมไม่ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น ไม่คิดพยาบาทคนอื่นแล้วก็ให้คิดออกจากกามซึ่งถ้าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในกรอบนี้เนี่ยแสดงว่าเรายัางตรงทางอยู่แต่ถ้าเราคิดไปเบียดเบียนคนอื่นพยาบาทคนอื่นเหมือนอย่างเราเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในข่ายในข่ายของพยาบาทในข่ายของเบียดเบียนใช่ไเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้ไม่ตรงทางแล้วออกนอกทางพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องรีบ รีบที่จะไม่ตอบความยาวสาวความยืดกับความเห็นประเภทนั้นกับความคิดประเภทนั้นเอาอยัางในด้านคําพูดอย่างเงี้ยท่านก็ตีกรอบเอาไว้ให้ว่าไม่พูดโกหกไม่พูดเพิรเจอไม่พูดสอดเสียไม่พูดคำหยาดเพราะฉะนั้นเราก็คอยสํารวจคําพูดเราเนี่ยว่ามันอยู่ในกรอบนี้หรือเปล่า ถ้ามันจะเป็นคำพูดเพื่อเป็นไปให้จิตใจสงบระงับชักชวนคนอื่นทำดีให้ทานปฏิบัติทำอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นคำพูดฝ่ายดีนจัดไปเลยแต่ถ้ามันยังอยู่ในขายพูดเท็จพูดสอดเสียพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอันนี้คือสุดปลายแดนแล้วเราอยากข้ามแดนนี้ไปอย่าให้มันมาแตะตรงนี้ อย่างความคิดก็เหมือนกันท่านก็ตีกรอบอไว้ให้แค่ไม่คิดปยาบาดใครไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วก็คิดดำริออกจากการรมใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้ห้ามนะว่าอาห้ามคิดเรื่องทาบุญสุนทานเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างนี้อันนี้จัดไปเลยคิดไปได้แต่กรอบที่ไม่ควรทำท่านตีเอาไว้ให้ กรอบนี้มันก็ไปพ้องกับพันที่ท่านประกาศหลักธรรมทางศาสนานั่นแหละสัพพปาปัสสะอาการนังกุสลสู้ปสัมปทาสจิตตะปริโยดปนังเอตังบุตธานาศาสดังก็คือไม่ทำบาททั้งปวง บาปจะมีกี่ร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างมีกี่อย่างกี่อย่างคือทั้งปวงเรางดเว้นเราไม่ทำกุศลสู้ประสมปทาก็คือทำความดีให้มันถึงพร้อมซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้คาว่าสับพังคือทั้งปวงเพราะนั้นเราพร้อมอันไหนเราก็ทำมันนั้นะ ช่วงนี้เราพร้อมในด้านการให้ทานลรวก็ให้ทานช่วงนี้เราพร้อมเกี่ยวกับการเป็นสะพันบุญชักชวนคนทำบุญเราก็ทำไปใช่ช่วงนี้เราพร้อมเกี่ยวกับการฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของเรามีความเพียรมีความอดทนอันนี้เป็นความดีความงามทั้งนั้นแหละเป็นกุศลเราก็ทำไปเราพร้อมเราก็ทำ อย่างอยู่ที่ทำงานอาจจะไม่ได้พร้อมถึงขนาดจะมานั่งฝึกหัดนั่งสมาธิได้แบบนี้มันไม่พร้อมแต่มันพร้อมแบบไหนพร้อมที่จะคอยปกป้องรักษาดูแลจิตใจก็ทำไปมันพร้อมแบบไหนล้วก็จักมันเต็มทุกอย่างตามที่มันพร้อมไปสจิตตาปริโยเดปนังก็คือทำจิตใจให้มันผ่องใส อันนี้มัมีในศาสนาพุทธนะศา ส, สนาอื่นก็จะพูดแค่ว่าไม่ทําชั่วให้ทําความดีแต่ของศาสนาพุทธก็เพิ่มเติมลงไปที่ว่าเราไม่เป็นคนไม่ดีเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยแต่เราต้องเป็นคนดีที่มีความสุขด้วยนะก็คือใจผองใสเพราะการที่เราเป็นคนดีมันก็มีทั้งคนดีที่ยังมีความทุกข์ก็มีคนดีที่ ไม่มีความทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นย้ำลงไปว่าสจิตตะปริโยไดะปะนังคือทำจิตใจให้มันผ่องใสด้วยคือเราจะได้พ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขที่มันมากขึ้นทางใจนะทางใจเพราะจิตตะคือใจเอตังบุตธทธานศาซาสนาก็คือนี่เป็นคำสอนของอผู้รู้ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติมาอี่พระองค์มาประกาศศาสนากี่ครั้งกี่ครั้งขององค์ไหนองค์ไหนก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นคือสัพพ ป, ปาปัสสะอักระนังไม่ทําบาปไม่ทําไม่ดีทั้งปวงกุศลสู้สัณฑ์ปทาคือทํากุศลให้มันถึงพร้อมสจิตตาปริโยชเดปนัง ก็คือทำจิตใจให้มันผ่องใสไม่ว่าจะกี่พระองค์กี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็อยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นแล้วก็มันเหมือนจะเป็นสามข้อแต่จริงๆแล้วมันคือข้อเดียวกันมันก็เหมือนมรรคมรมีองค์แปดมันเป็นทางเส้นเดียวแต่มันประกอบไปได้วยแดอย่าง ไอ้นี่ก็เหมือนกันมันเหมือนจะมีสามข้อแต่จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันการที่เราจะไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความพ้นทุกข์เราจะทำแต่สัพพปาปัสะอัการณธรรมอย่างเดียวก็ไปไม่ถึงเราจะทำกุศลสู้พระสัมปทาอย่างเดียวโดยที่เรายังทาบาปอากุศลอยู่ก็ไปไม่ได้ เราละบาปได้เราทําบุญได้แต่เราไม่ฝึกหาจิตใจก็ยังเป็นผู้ที่มีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นในสามตัวนี้มันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปพร้อมๆกันบาปอากุศลก็ไม่ทําความดีเราก็ทําจิตใจเราก็ฝึกสามตัวนี้ถ้ามันพร้อมกันได้เป็นองค์คาพยพเดียวกัน เราก็จะมีผลลัพธ์คือจิตใจเราจะมีทุกน้อยมีสุขที่มันมากขึ้นเพราะนั้นก็อยากจะย้ำว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทําบาปแล้วเราเจ๋งแล้วยังไม่ใช่นะไม่ทําบาปเป็นเรื่องถูกต้องแต่เราก็ต้องทำความดีด้วยพอเราได้ชื่อว่าเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราก็สำรวจดูว่าเรายังทุกอยู่ไหม แล้ทุกข์สคัญที่ไหนที่ใจเพราะนั้นเราต้องมาฝึกใจเพิ่มเติมให้เราเป็นคนดีที่ไม่มีทุกข์ให้ได้เพราะตราบใดที่เราไม่ฝึกใจเราจะเป็นคนดีที่ยังมีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นตักกาดที่ว่าไอ้ฉันเป็นคนดีแล้วฉันเป็นคนดีแล้วทำไมฉันยังไม่มีความสุขสักทีคนดีกับความสุขมันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป แต่คนดีที่ไม่มีความทุกข์และมีความสุขใจด้วยมันเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นบุคคลที่เขาฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจนี่เลยเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามทำทั้งสามอย่างใี้มันครบคู่กันไปกรอบที่ว่าไปก็คือมรรคแปดนเราคอยสำรวจเส้นทางชีวิตข้อประพฤติปฏิบัติของเราว่ามันยังอยู่ในกรอบของมรรคไหมถ้ามันอยู่ในกรอบของมรรคแนี่ก็แสดงว่า ทางดำเนินของเราเนี่ยมันยังตรงทางอยู่เรายังไม่ได้โดนกิเลสมันชักจูงออกไปนอกทางการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ยังยังอยู่บนทางมันน่าจะยังไปตรงทางอยู่อย่างตอนเช้าส่องกระจกดูก็สังเกตดูว่าตาเราขวางหรอะนะือเปล่าถ้าตาขวางไม่ดีแน่นอน ปฏิบัติธรรมรับตาแขวางไม่ได้นะตาตึงๆแข็งๆเพ่งใส่คนอื่นอย่างเดียวนี่ไม่ถูกแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มันอ่อนนิ่มประกอบไปด้วยเมตาตาอมูสัตว์จะถามว่าไม่มีเมตตาผิดไหมไม่มีเมตตาไม่เป็นไดอย่างน้อยๆก็ขอให้มันเซตซีโรเอาไว้ไม่ทำ ว่าจีทุจริตกับเขาไม่ทำกายะทุจริตกับเขาก็คือกลับมาอยู่ตรงที่มรรคแปดนั่นแหละสัมมากรรมันตักใช่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลาง3ามอย่างอันนี้ก็เป็นกรอบที่พระพุทธเจ้าวางเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติเอาไว้ให้เรา พูดไปก็เยอะแยะมากมายเละสุดท้ายก็ทําความสงบใจให้มันได้แต่ก็ต้องคอยระวังนิดหนึ่งว่าอย่าให้มันมากลายเป็นพิษที่จะมาบั่นทอนศักยภาพของเราในภายหลังก็คือให้เราเป็นคนที่หาความสงบเป็นแล้วก็ไม่ละเลยการที่พิจารณาให้มันเห็นถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน แม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันมันก็ไม่เจียงเป็นก้อนพุกก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีเป็นตัวตนทิ้งแท้วันหนึ่งมันก็แตกสลายหายไปเราก็ดีคนอื่นก็ดีก็อยู่ในกฎอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันขาดไม่ได้นะที่จะนำความสงบอันนี้ไปใช้พิจารณา น, นั่นก็อยากจะบอกว่าอย่าละเลยเราทำความสงบใจเป็นแล้วอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจแค่ทำความสงบเป็นแล้วก็หยุดไว้แค่นี้แต่ให้เ อ, เอาเอาความสงบที่มีที่ได้เนี่ยเอามาใช้ที่จะตรองสอนใจเราให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงต่างๆเพะฉะนั้นเวลาเรานั่งไปเนี่ยล้วก็คอยดูอ่ อาจจะดูว่าเป็นโครงกระดูกนั่งอยู่ก็ได้รู้สึกไปมันตายได้ไหมพอตายไปแล้วโครงกระดูกนี้มันเหลืออะไรมันก็ล้มพับลงไปถ้ามันอยู่ทนหน่อยพันปีหมื่นปีมันก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันโดนไฟเผามั่งอะไรบ้างมันก็ไม่มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกให้เราเห็นหคนเราสุดท้ายมันก็เหลืออยู่แค่นั้นแหละ มองให้มันทะลุลงไปใต้ผิวหนังบ้างสอนมันบ่อยๆให้มันเห็นไม่ใช่อยู่แค่เปลือกที่ผิวหนังอย่างเดียว เ, ยเวลาสงบแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆบ่อยๆนี่หละมันก็ซึมเข้าไปสักวันหนึ่งจนได้